บทที่28โลกกลมขณะที่บรรยากาศในห้องกำลังตึงเครียดอยู่นั่นเองก็มีใครคนหนึ่งกดกริ่งหน้าบ้านจึงเหมือนระคังดังให้พักยกการสอบสวนเอาความผิดนัชเลทิ้งคอนให้แฟนหนุ่มวงหนึ่งก่อนจำใจลุกขึ้นดูว่าเป็นใครพอเห็นอเวรายืนอยู่ที่รัว้วก็รีบเดินออกไปจากห้องทันทีหางตาเห็นละองฝนเดินมาจากทางซ้ายแต่ยังอยู่ห่างประตูมากกว่า หล่อนเลยโบกมือให้และส่งเสียงบอกพอได้ยินเดี๋ยวซายไข่ให้หนัาเค้กเองฝนไปเถอะละอองฝนโบกมือตอบแล้วเดินย้อนกลับทางเดิมน้าเฉลเหลือบมองตามด้วยสายตาเป็นห่วงเรากับเห็นพี่สาวเดินกลับหนองน้ําที่มีจระเข้อ้าปากรออยู่แต่ก็จําต้องหันมาสนใจ ญ, ญาติที่หน้าบ้านก่อนสวัสดีค่ะณ้าเค้กยกมือไหว้ฝ่ายนั้นเอาเวลารับไหว้และยิ้มให้ นา้าเชลไม่ต้องสังเกตมากก็เห็นแววหมองในดวงตาหน้าสาวถนัดเดาได้ว่าคงมีทุกข์มาขอคำปรึกษาจากแม่หล่อนตามเคยคุณแม่ยังไม่กลับนะคะบอกพลางไขกุญแจประตูให้เอารถเข้ามาไหมจอดไว้ข้างนอกนั่นแหละไม่เป็นไรนัดแม่ไว้ช่วงนี้เหรอคะเดี๋ยวสายโทรบอกให้ว่าน้าเค้กมาแล้วไม่ต้องปฏิเสธและก้าวเข้ามาข้างในไม่ได้นัดพี่หน่องไวหรอกกาลังเซ็ง ความจริงคุยกับซายก็ได้น้าเหงาไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่อยากคุยกับซีที่มันกำลังย่ำแย่ยิ่งกว่าน้าอีกงั้นมาค่ะนัชเลจูมืออีกฝ่ายเข้าบ้านด้วยท่วงทีของผู้พร้อมจะให้ความอาทร อ, อันเป็นกริยาที่ติดมาจากแม่เมื่อละองฝนเดินไปเปิดประตูให้กับผู้มากดกริง่งทีแรกพฤหัสก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าใดแต่พอได้ยินเสียงของนัชเลร้องบอกความว่า หล่อนจะเป็นคนไปไขประตูให้น้าเ ค, ค้กเองเด็กหนุ่มก็สะดุ้งเฮือกเพราะชื่อนั้นออกจะฟังไม่เป็นมงคล น, นักเมื่อเอ่อยขึ้นแถวแถวนี้แวบแรกแค่นึกว่าน่าจะบังเอิญชื่อพ้องกันแต่ก็ลุกขึ้นยงโย่ยงย ก, ยงยกแอบเชิงเงือมองออกไปหน้าบ้านเพื่อความแน่ใจซึ่งเมื่อลอดเกิ่งไม้ใบบางกับเหลี่ยมเรือนก็เห็นความเป็นไปได้ถนัดและเพราะความที่ไม่ใช่คนสายตาสั้นร่างหญิงสาวผู้มาเยือนจึงปรากฏชัด ขนาดต้องแยกเขียวราวกับใครเอากับดักหนูมาหนีบก้นทำไมโลกถึงได้กลมยิ่งกว่าลูกโบลิิงอย่างนี้รีบกลับลงนั่งในซุ้มชิงช้าแทบไม่ทันหัวใจเต้นตึกตึกแรงกระแทกของเรื่องบังเอิญระดับอุบัติเหตุทำให้มืนงงทำอะไรไม่ถูกไปชั่วครู่แต่พอละองฝนกลับมาถึงเขาก็ตีหน้าตายยิ้มให้หลอนอย่างสนิทสนมใครเหลือฝนอ๋อน้าสาวนะ่ะมีธุระกับฝนหรือเปล่า รารอกน้าเค้กชอบมาคุยกับแม่นี่แม่ยังไม่กลับหน้าเค้กก็คงต้องนั่งรอฝนต้องไปต้อนรับขับสู้หรือเปล่าผมกลับก่อนก็ได้นะอ้ายไม่ต้องคนกันเองให้ซายเขาจัดการรายนั้นคุยกับหนุ่กระหนิงกับหน้าเค้กถูกคออยู่แล้วเพื่อหัดเหงื่อตกในน้ำลายเหนียวจนกลืนแทบไม่ลงเอาเวลาสนิทกับน้เลเสียด้วยครอบครัวฝนนี่ท่าทางอบอุ่นดีจังนะ เด็กหนุ่มรักษากริยาแจ่มใสไว้อย่าง ด, ดียิ้มแฉ่งกันทั่วนหน้าแถมมีคนเดินเข้าออกตลอดเหมือนพากันมาหาความสุขจากที่นี่ทั้งนั้นแล้วองฝนยิ้มปลืม่มใครจะมีความสุขได้เท่าต่อยล่ะรวยอารมณ์ขันมองโลกสนุกสนานได้ทั้งวันเออเด็กหนุ่มทำทีล่วงกระเป๋าหยิบมือถือและพลิกข้อมือดูเวลากี่โมงแล้วเนี่ยชะอุ้ยแกล้งทำตาถลนร้องราวกับใครเอามีดมาจิ้มเอว ต่อยมีนัดเหรออืมเขาทำทีร้อนรนกดเบอร์เข้าบ้านตัวเองและเป็นการกดจริงมีคนรับจริงไม่จริงอย่างเดียวคือเนื้อความที่พูดฮัลโหลพ่อเหรอไอ้เจ้ยไปถึงบ้านหรือยังใช่น่ะสินัดมันไว้แล้วลืมสนิทคุยติดลมนั่นแหละนั่นแหละไอ้เจ้ยที่หน้าเหมือนปลาหมึกบดนั่นแหละงั้นถ้ามันไปถึงพ่อช่วยให้มันนั่งรอผมก่อนนะแล้วอย่าเอาเป๊ปซี่ให้มันกินละ่ะ มันไม่มีความสำคัญขนาดต้องเลี้ยงน้ำอัดลมละองฝนปิดป่าหัวเรากึกกึกพอเขาตัดสายก็ถามว่าถ้าฝนไปนั่งรอต่อยจะได้กินอะไรมั่งเนี่ยเพื่อหัดเหลือบตาขึ้นข้างบนและเกาคอนึกอืมอาหารห้องเต้คงน้อยไปเอาอะไรดีวะเด็กสาวยิ้มกว้างขอแค่น้ำก๊อกไม่ผสมน้ำมันพรายแก้วเดียวก็พอแล้วน้ามันพรายใครเข้าเอาผสมน้าเขาป้ายตัวต่างหาก รู้ดีนี่ฝนเคยโดนบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบเด็กหนุ่มหัวเราะและยักคิ้วทำตาวาวทำไมถึงสงสัยมีอาการผิดปกติหรอก็ไม่เชิงละอองฝนเบะปากนิดๆอย่างไว้ทีเพื่อหัดระบายยิ้มเจ้าสเสน่ห์ก่อนทำหน้าเสียดายแย่จังผมคงต้องไปแล้วนัดเพื่อนดูกีต้าร์นะ่ะเผื่อมันซื้อต่อผมจะได้ซื้อตัวใหม่เล่นกีต้าร์ด้วยเหรอก็พอไว้แต่ตอนนี้กาลังคิดว่า ถ้าได้กีตาร์ใหม่ก็อยากเล่นให้ฝนฟังเป็นคนแรกและองฝนพยักยิ้มจินตนาการบอกตนเองว่าถ้าพฤหัสนั่งเล่นกีตาร์ก็น่าจะเป็นอะไรที่แท้สุดๆผมไปก่อนนะฝนเด็กสาวรีบลุกขึ้นก้าวนำไปเปิดประตูรั้วให้พฤหัดก้มหน้าก้มตาย่องตามด้วยใจเต้นไม่เป็นสําอยากรู้คาถาปิดตาคนจะได้ภาวนาอย่าให้มีสายตาในบ้านคู่ใดๆเห็นเขาแม้แต่เงา อาการรีบร้อนเดินไม่เหลียวหลังคงไม่เป็นที่ผิดสังเกตสำหรับระองฝนเพราะเขาหลอกว่าจะรีบกลับไปหาเพื่อนพอพ้นเขตรั้วบ้านมาได้พฤหัสก็เป่าปากพรูสัมผัสรู้สึกที่ปลอดโปร่งบอกเขาว่าไม่มีใครในบ้านทราบความเคลื่อนไหวขณะเขาเดินออกมาและหากภายในสิบนาทีนี้ไม่มีสายเรียกเพื่อเอาเรื่องจากเอาเวลาสัมผัสที่6ของเขาก็คงทางานถูกต้องแม่นยาเกือบบรรลัยแล้วไง ใครจะเป็นนึกฝันว่าจอมใจของเขาเป็นคนสนิทของอเวราทีนี้ทำอย่างไรดีเพื่อหัสเกาหัวคิดหนักที่เขาจีบละองฝนจนเข้าบ้านได้ก็ด้วยประสงค์เดียวคือปรากฏตัวให้นัชเลเห็นบ่อยๆด้วยความเชื่ออำนาจเสน่ห์แห่งตนที่อาจสะกดสาวไหนๆให้หลงได้หมดขอเพียงพบเจอเป็นประจำเท่านั้นการใช้ละองฝนเป็นสะพานอาจดูล่อแหลมอยู่สักหน่อยแต่เขาก็วางแผนไว้แล้วว่าจะส่งต่อ ให้เพื่อนอีกคนที่มีฝีไม้ลายมือใกล้เคียงกันกะจัดฉากให้เหมือนละอองฝนเป็นฝ่ายทิ้งเข้าไปหาคนใหม่ส่วนเขาก็มีน้ำใจนักกีฬาพอคบกับหลอนในฐานะเพื่อนต่อถึงตรงนั้นคงมีโอกาสคุยกับนักเลได้หลายคาแล้วก่อร่างสร้างสายใยสัมพันธภาพให้หลอนวันไหวได้ระดับหนึ่งแล้วนี่คือเส้นทางหินที่สุดนับแต่จีบสาวมาแต่เขาก็ยินดีลงทุน และทําใจยอมกระทั่งรอเป็นปีเขาพิสวาดน้ชเลขนาดนั้นทว่าวันนี้เรากับแผ่นดินไหวให้ทุกสิ่งพังครืนฟ้าแกล้งหรืออย่างไรจึงส่งอเวรามาเป็นญาติของน้ชเลศรัทธาที่มีต่อคำว่าบังเอิญมาช้านานเหือดแห้งหายหุนไปจนสิ้นต้องมีอะไรสักอย่างที่อยู่เบื้องหลังความประจบเหมาะอ น, น่าเจ็บปวดนี้แต่ต่อให้คนช่าชอง เรื่องโยนโทษอย่างที่สุดก็คงกรอกตาอึกอักนึกไม่ออกว่าจะหาใครมาเป็นแพทย์รับบาปดีกับอุบัติเหตุที่ปรากฏเพื่อหัดคิดคิดและคิดกรณีของอเวราแตกต่างจากละอองฝนคืนให้นัชเรรู้เรื่องระหว่างเขากับอเวราทุกอย่างก็พังพินาศหมดรูปเท่านั้นเขารักนัชเรรักจริงๆใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ช่าง ยิ้งอื่นหมื่นแสนแม้นเจรจาพาทีกี่พันคำก็ไม่ทำให้เขาหลงรักได้เท่าคุยกับหลอนเพียงสองสามคำเขาเองยังไม่รู้เลยว่าทำไมตัวเองคลั่งใครใครสักคนได้ขนาดนี้จะมีคำอธิบายใดดีไปกว่าได้เคยเป็นคู่สร้างคู่สมร่วมอภิรมณ์กันมาแต่ปางก่อนเล่าและเพราะปักใจเชื่อเช่นนั้นพระหัสก็ไม่คิดว่าจะยอมให้สิ่งใดมาเป็นอุปสรรค ขัดขวางความรักของเขาได้อย่างเด็ดขาดเอาเวลาร่วมรับประทานอาหารเย็นกับครอบครัวของรสรินพ่วงเวลานี้บ้านพี่สาวหล่อนดูอุ่นหนาฝาข้างขึ้นกว่าเดิมเพราะนอกจากหล่อนแล้วยังมีจองเลิกมาร่วมวงอีกหล่อนเห็นเขาเป็นครั้งที่สองแต่ต่างฝ่ายต่างยิ้มให้กันได้เรากับเป็นเครือญาติกันรู้ว่าเลิกเก่งคอมอย่างนี้วันหลังน้าคงต้องขอให้บริการบ้างแล้วนั่นเป็นประโยคเดียวที่มีต่อเขาระหว่างร่วมโต๊ะ ด้วยความยินดีครับนาะเค้กและนั่นก็เป็นประโยคเดียวที่จองเลิกตอบอเวราต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกร่วมกันประการหนึ่งคือไม่เป็นส่วนเกินของบ้านหลังนี้นั่นจึงก่อให้เกิดไมตรีจิตโดยง่ายแม้ทักกันแค่หนึ่งคำอเวรารอบชำรืองมาทางนชเลกับจองเลิกบ่อยๆหลานสาวของหล่นก้มหน้าก้มตาอยู่กับจานข้าวไม่ค่อยหันไปใส่ใจแฟนหนุ่มเท่าใดนัก วันนี้ท่าทางอาจมีเรื่องไม่ได้อย่างใจอะไรสักอย่างแต่แม้มีอาการหมางเมินอยู่เล็กๆเช่นนั้นอากาศรอบตัวคู่รักคู่ใหม่ก็ยังดูสดช่ำอย่างน่าอิจฉาเห็นแล้วทำให้อยากมีบ้างคือได้เข้าคู่กับใครสักคนแล้วกอ บ, บรรยากาศหน้าอบอุ่นน่าเชื่อว่าทุกปัญหาสามารถคลี่คลายไปในทางดีได้เสมอหญิงสาวถามตัวเองว่าเคยมีช่วงเวลาชนิดนี้บ้างไหม มีใครสักคนที่ทำให้เชื่อว่าจะรักและปักใจกับหล่อนเพียงคนเดียวไปจนตายคำตอบที่น่าตกใจคือไม่เคยในวัยเดียวกับนัชเลหล่อนโหยหาเจ้าชายในฝันยิ่งกว่าอะไรอื่นความสมบูรณ์แบบดุจเทวดาจำแรงต้องมาก่อนเสมอหล่อนไม่แม้แต่จะคิดถึงความเข้ากันได้และสัมพันธภาพอันปรองดองที่ยาวนาน และนั่นก็กลายเป็นเครื่องเสพติดทางนิสัยอย่างหนึ่งที่เหมือนเข็ดแต่ก็แก้ไม่หายเมื่อรู้จักนัชเลพอควรหล่อนได้แง่คิดว่าการที่ผู้หญิงจะเลือกใครสักคนมาเป็นแฟนนั้นขึ้นอยู่กับนิสัยใจคอของตัวผู้หญิงเองเป็นอันดับแรกย้อนไปเมื่อหล่อน17เท่านัชเลห่างเห็นผู้ชายหน้าตาแบบจองเลิกก็คงเมินสนิท เพราะวันๆหมกมุ่นอยู่กับเสียงวิจารณ์ของสหายไฮโซว่าใครหล่อกว่าใครใครรวยกว่าใครและใครมีความดึงดูดทางเพศสูงกว่าใครที่จะให้ชายตา ม, มาแลหรือเสียเวลาคิดถึงหนุ่มระดับจองเลิกสักแว บ, บนั้นฝันไปเถอะและจนทุกวันนี้ก็ยังทำใจรับผู้ชายที่มีรูปร่างหน้าตาประมาณจองเลิกไม่ลงอยู่ดี คงต้องรอให้หล่อนใกล้ขึ้นคานเสียก่อนกระมังใจถึงจะเล็งที่คุณสมบัติภายในก่อนยอมแพ้ให้แก่คุณสมบัติภายนอกดังที่กำลังเป็นหลังอาหารมื้อเย็นผ่านไปรสรินก็พาน้องสาวมาเดินดูลมชมดาวนอกตัวบ้านหล่อนเงียบรอแม่น้องสาวคนสวยเปิดปากระบายอะไรออกมาก่อนแต่จนแล้วจนรอดก็มีแต่ความเงียบรสริน จึงต้องเป็นฝ่ายเปิดฉากด้วยการเดาวันนี้เขาไม่ว่างเหรอเอาเวลาก้มหน้างุดหลายวันที่ผ่านมาแบบว่าเมินเมินกันอยู่นะคะไม่ค่อยบอกไม่ค่อยรู้ความเป็นไปเท่าไหร่รสรลินรู้อยู่ก่อนแล้วว่าอะไรเป็นอะไรหล่อนถามเพื่อให้น้องสาวเริ่มเปิดปากเท่านั้นแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็คงพรั่งพลูออกมาเป็นชุดเองหล่อนแค่เงียบรอฟังอย่างเดียวพี่น้องพูดอะไรหน่อยสิคะ โรสลินเบิกตานิดหนึ่งอย่างผิดคาดเล็กน้อยเธอจะให้พี่พูดอะไรอะไรก็ได้ด่าเค้กให้สํานึกก็ได้สาวใหญ่พินหน้าออกข้างทางครู่หนึ่งก่อนเบนกลับมามองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตามปกติเอาเป็นว่าพี่ถามเค้กก็แล้วกันรู้ตัวหรือยังว่าใช้ชีวิตมาถึงไหนแล้วเอาเวลานิ่งคิดสมองค่อยๆเริ่มทํางานเหมือนมอเตอร์ที่แข็งค้างค่อยๆกลับหมุนใหม่อีกครั้งมาถึง จุดสรุปจุดหนึ่งมั้งคะสรุปว่าน้องสาวนิ่งอั้นก่อนกลั้นใจตอบเค้กเพิ่งรู้สึกว่าเซ็กเหมือนกับเด็กมันดึงดูดใจให้หลงเข้ามาอยู่ในวังวนทุกข์ไม่รู้จบแล้วตอนนี้เค้กก็เป็นเหยื่อหน้าโง่ตัวหนึ่งรสรินยิ้มเล็กน้อยถ้าเหยื่อโง่จริงก็ไม่มีทางรู้ตัวหรอกว่าเป็นเหยื่อและจะไม่คิดดิ้นรนหาทางหนีด้วยเอาเวลาก้มหน้านิ่งกระพริบตาปริบๆใจเค้กเหมือนยังไม่อยากหนี จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามถ้าไม่คิดหนีวันนี้เธอไม่มาที่นี่ด้วยท่าทีแบบนี้หรอกเว้นวักไปอึดใจก่อนสำทับด้วยหางเสียงคมกริบเลิกคบเธอจะได้ไม่ต้องเป็นทุกต่อคำพูดของสาวใหญ่เรียบง่ายคล้ายสั่งให้อีกฝ่ายเอากันไกลตัดกระดาษแต่ฝ่ายรับคำสั่งฟังแล้วถึงกับก้าวเท้าช้าลงจนใกล้ยหยุดเดินเค้กจะพยายามค่ะพี่น้องแค่พูดก็รู้ตัวแล้วว่า ฝืดฝืนปานไหนหล่อนมีความทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่ก็ยังหวงเหตุแห่งทุกข์ก็เหมือนเต็มใจจะรักษาความทุกข์เอาไว้ทั้งนี้ก็ด้วยรสชาติชวนเสพติดของเนื้อทุกข์นั้นโดยแท้รสสิรินพยายามรักษาความสงบเย็นเปิดใจกว้างด้วยความอย่างรู้ว่ากระแสความสุขจากเมตตาจิตของหล่อนจะกล่อมคลื่นความทุกข์ในใจน้องสาวให้เบาบางลงได้ไม่มากก็น้อยเธอจะเลือกแฟนแบบไหนให้ตัวเองก็ตาม รู้ไว้เถอะว่าเธอไม่ได้เลือกแค่คนเธอกำลังเลือกใจตัวเองด้วยเขาเป็นแบบไหนใจเธอก็จะค่อยๆเป็นแบบนั้นถ้าเขาเอาแต่สนุกใจเธอก็อยากเอาแค่สนุกด้วยถ้าเขาฉาบฉวยใจเธอก็ฉาบฉวยตามถ้าเขาเป็นเด็กใจเธอก็จะถอยกลับลงไปเป็นเด็กได้อีกสำหรับเจ้าหมอนี่มันเข้ากับตัวตนที่แท้จริงของเธอเสียที่ไหน เค้กต้องเพ่งเล็งให้เห็นโทษของการครบหาเด็กมากๆมันถามตัวเองจนกวาใจมันจะได้ยินจะให้ถามว่าอะไรคะขอแบบกระทุ้งใจได้แรงหน่อยก็ดีก็เช่นรู้ตัวหรือยังว่ายุ่งกับเด็กเอาเวลาหัวเราะอะหะถ้าอันนั้นเค้กถามตัวเองมาหมื่นครั้งแล้วละมัง้งใจไม่เห็นจะมีท่าว่าได้ยินสักทีหรือถึงได้ยินมันก็เฉยเสียจนน่าจะด้านไปแล้ว น้ำเสียงนั้นหงอยเสจนรสรินนึกสงสารขึ้นมาอีกยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกหน้ามันมีอีกหลายคำถามวนเวียนอยู่ในหัวนะคะพี่น้องเช่นตกลงนี่เราจะต้องเวียนว่าอยู่กับการเจอผู้ชายทิ้งคว้างไปตลอดชีวิตหรือเปล่าเค้กไม่เข้าใจทำไมเวรกรรมส่งแต่ผู้ชายหุ่ยหยมาให้เลือกตลอดปลายประโยคเค้นเสียงด้วยความแค้นชะตากรรมของตนซึ่งรสสรินก็รู้สึกเห็นใจ แต่ไม่ทราบจะหาใครเหมาะทั้งตัวเหมาะทั้งใจมาประเคนให้ถ้าวิธีคิดวิธีฝันถึงผู้ชายของเธอเปลี่ยนแปลงตัวเลือกที่เข้ามาก็อาจเปลี่ยนไปถ้ายังคิดเป็นแฟนกับผู้ชายเจ้าชู้นะ่ะลืมได้เรื่องหวังเป็นหนึ่งเดียวของเขาอย่างมากเธออาจเป็นหมายเลขหนึ่งครู่หนึ่งแล้วที่สุดก็เลื่อนอันดับไปเป็นหมายเลขสองหรือกระทั่ง3อยู่ดีเอาเวลาก็มองพื้นยอมรับเสียงอ่อย นี่เป็นจุดอ่อนที่ทําให้เค้กเกลียดตัวเองเค้กพยายามเปลี่ยนวิธีคิดแต่ไม่สามารถเปลี่ยนวิธีที่รู้สึกได้เลยและความรู้สึกตัวเดียวก็ไม่พาให้เค้กไปถึงไกลถึงไหนเสียทีรสลินเงยหน้ามองดวงจันทร์เฉยไม่โต้อตอบอะไรพูดไปพูดมาเหมือนพายเรือในอ่างเอาเวลาหัวเราะและยิ้มแหย่สงสัยเค้กมารบกวนให้พี่น้องเหนยเปล่าอีกแล้วในที่สุดเค้กก็จะต้องหลงวนอยู่กับอ่างใบเดิม โรสลินกำลังมืออ่อนเท้าอ่อนคิดคิดเช่นนั้นอยู่เหมือนกันเลยรับง่ายๆนั่นสิสองพี่น้องมองหน้ากันในเงามืดครู่หนึ่งก็หัวเราะอเอ่ยอๆอขึ้นมาพร้อมกันในห้องทํางานชั้นล่างซึ่งกลายเป็นสถานที่เรียนพิเศษมาระยะหนึ่งบัดนี้นัชเลกํำลังนั่งหน้ามุ้ยกับแฟนหนุ่มตามลาพังต่างฝ่ายต่างเงียบกระทั่งเด็กสาวหมดความอดทนเอาไงดีเนี่ยวันนี้ไม่มีอารมณ์เรียนแล้วเลิกกลับไปก่อนเถอะ แม้จองเลิกมาตั้งแต่ก่อนเย็นนัชเลก็ต้องต้อนรับขับสู้เอาเวลาโดยพาไปคุยกันเป็นส่วนตัวในห้องนอนของหล่อนทิ้งแฟนหนุ่มให้นั่งคนเดียวในหนึ่งเป็นการทำโทษที่เข้าพานักเลงผู้หญิงมารู้จักกับพี่สาวหล่อนจนได้เรื่องขนาดเอาตัวเข้าบ้านกันแล้วเด็กหนุ่มยิงคาถามตรงๆยังคุนเราอยู่หรอแล้วเขาก็ได้คาตอบตรงไปตรงมาจากแฟนสาวเช่นกันใช่ จองเลิกทำตาโตยื่นมือออกมาโบกช้าๆพยายามเรียนท่านักสะกดจิตผู้หน้าเกรงขามโอมจงหายโกรธโอมภาพที่กระทบตาทำให้น้ะเลเส้นตื้นได้กระทันหันแต่ทิฐิจากความขุนเคืองรั้งเสียงหัวเราะไว้ครู่หนึ่งก่อนกลั้นไม่อยู่ต้องคลายสีหน้าปล่อยเสียงหัวเราะยาวออกไปและพอหัวเราะเสร็จก็แก้เก้อด้วยการยกมือทุบไหล่เขาอักใหญ่ลูกเล่นชักแพรวาวนะ จองเลิอกอมยิ้มเขาเรียนรู้เร็วและทราบว่าผู้หญิงจะหายโกรธก็เพราะได้หัวเราะขำนี่เองเราจะพยายามพูดให้เจ้าต่อยเลิกคบกับฝนเองเด็กสาวหน้างอขึ้นมาอีกแต่ไม่ขนาดหันหนีกันเริ่มยอมสบตากับเขาแบบเป็นงานเป็นการฝนจะได้แค้นทายข้ามชาติเลยนะสิแล้วจะให้เราทำยังไงบอกมาเลยเปลี่ยนแผนจากสร้างเครื่องพยากรกรรมมาเป็นเครื่องย้อนเวลาดีไหม จะได้กลับไปแก้ไขเหตุการณ์เสียใหม่นัชเลหัวเราะในลำคอความจริงอารมณ์เย็นลงมากแล้วและเริ่มเห็นว่าหล่อนอาจตีตนไปก่อนไข้เกินงามอยู่สักหน่อยแม้อธิบายตัวเองยังยากเลยว่าทำไมถึงเป็นเดือดเป็นร้อนเกินการขนาดนี้นี่หล่อนเล่นงานแฟนหนุ่มเสียราวกับรู้ดีว่าวันหนึ่งละองฝนต้องเจ็บเจียนขาดใจฉะนั้นอาทิตย์หน้าพี่สาวหลอนอาจตาสว่างเลิกค้องแวะกับเพื่อหัดไปเองก็ได้ ถ้าเครื่องพยากรณ์กรรมของเธอสำเร็จและสามารถบอกได้ว่าใครคิดมาดีหรือมาร้ายอย่างไรก็เหมาะเลยนะเด็กสาวราพึงด้วยหางเสียงทอดอ่อนกว่าเดิมและพอพูดถึงเรื่องพยากรณ์กรรมจองเลิก็ทำท่ากระตือรือร้นสองวันนี้เราเพิ่งได้ไอเดียคืบหน้าน่ะหน่วยตาของนัชาเลพลอยเบิกกว้างยังไงเหรอวันก่อนเรามองวิบากกรรมในแง่ของเหตุการณ์ดีร้ายที่เข้ามากระทบตัว อย่างเช่นเศษแก้วที่วางรอให้เราเหยียบในห้องน้ําทีนี้กลับไปนั่งคิดทบทวนอยู่นานก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างหนึ่งคือวิบากกรรมในรูปของเหตุการณ์ดีร้ายนั้นเป็นสิ่งที่ตรวจจับได้ยากเราควรเริ่มจากเบสิกคือวิบากกรรมในรูปที่ตรวจจับได้ง่ายกว่านั้นเอาแบบที่เป็นรูปประธรรมหน่อยแล้วค่อยขยายผลไปหาสิ่งที่เป็นนามธรรมาภายหลังน่าจะดีเธอหมายรูปร่างหน้าตา จองเริมพงกศีษะใช่หลังจากอ่านทบทวนรายละเอียดในหนังสือเลือกเกิดใหม่ที่ซ้ายให้เรามาเราได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งคือวิบากกรรมจากอดีตชาติที่ปรากฏชัดเจนที่สุดก็คือร่างกายของพวกเรานี่เองทั้งในแง่ศักยาภาพแบบมนุษย์ซึ่งวิเศษกว่าสัตว์โลกชนิดอื่นทั้งในแง่ของความเป็นหญิงเป็นชายซึ่งมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบแตกต่างกันและทั้งในแง่ความงดงาม ระหว่างชิ้นส่วนต่า ง, างหากเรามีวิธีวัดคุณภาพสิ่งเหล่านี้ได้ก็น่าจะตีค่าถูกว่าทุนเก่าอันเกิดจากทานและศีลที่แต่ละคนพกติดตัวมาจากชาติก่อนๆ น, นั้นหนักเบาสักประมาณไหนในตาณชะเลทอแววเจิด จ, จรัสขณะคิดตามและพยายามเดาหมายถึงถ้าสำเร็จพอใครขึ้นเครื่องช่างน้าหนักกรรมจะมีตัวเลขบอกว่าบุญหนักเท่าไหร่ บรรทุกบาปมากี่ตันอะไรประมาณนั้นเหรอเรื่องรูปแบบเครื่องพยากรณกรรมยังคลุมเครืออยู่ยังคิดไม่ออกข้อนี้แค่หาความเป็นไปได้ว่าจะตีค่าวิบากกรรมอย่างเป็นรูปธรรมก่อนเท่านั้นจองเลิกตอบแล้วยิ้มเฉยอย่างเห็นอนาคตว่าตนต้องเจอศึกหนักอีกนานเราลองเอารูปร่างหน้าตาคนเป็นพันๆรวมตั้งภาพสัตว์มากมายมาวางเทียบกัน เพ่งพิดดูทีละคนทีละตัวด้วยการตั้งความเชื่อไว้ว่าสิ่งที่เห็นคือวิบากกรรมของแต่และชีวิตก็ได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งคือจิตเรารู้จักกรรมวิบากเบื้องต้นของมนุษย์ได้ผ่านกิเลส ธ, ธรรมดาธรรมดานี่เองฟังทีแรกนะัชเลเกือบนึกค้านเพราะเท่าที่ ท, ทราบมากกรรมวิบากเป็นสิ่งถูกรู้ได้ต่อเมื่อจิตผ่องแผ้วบริสุทธิ์จากกิเลสหยาบๆ บ, บเท่านั้น แต่ก็เงียบฟังแฟนหนุ่มด้วยความเชื่อว่าเขาคงมีแนวคิดบางอย่างที่ควรรับไว้ก่อนก่อนอื่นใดจองเลิศขยายความต่อเทียบแล้วกายมนุษย์ดูสูงส่งกว่ากายของสัตว์เผ่าพันธุ์อื่นทั้งหมดเพราะมีกายตั้งตรงหยัดยืนด้วยสองขาและส่วนหัวตั้งเด่นบนจุดสูงสุดลักษณะกายที่สามารถยืดเป็นเส้นตรงตั้งฉากกับพื้นโลกทําให้เกิดความสง่าพาเผยและก่อให้เกิดความทนงว่า เป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงส่งไม่ให้ความรู้สึกต่ำต้อยแบบสัตว์ที่ต้องคลานสี่ตีนทดลองง่ายๆถ้าเราก้มลงคลานสี่เท้าใจจะรู้สึกว่าความสูงสงา่าหายไปในทันทีและจิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายคงรู้สึกตรงกันเด็กสาวคิดตามแล้วยิ้มหมายความว่าอัตภาพที่ทำให้ธนูหลงยิงในอัตภาพเป็นเครื่องชี้ได้ว่ามนุษย์กาลังเสวยวิบากด้านดี เนื้อสัตว์อื่นที่มีอัตภาพต่ำต้อยอย่างนั้นใช่ไหมใช่นอกจากนั้นภาวะของเพศยังเป็นเครื่องเปรียบเทียบให้เห็นได้ว่าระหว่างชายกับหญิงใครต้องลำบากกว่ากันเป็นชายดูสบายไปหมดแต่เป็นหญิงนั้นอย่างที่ทรายคงรู้ดีโตขึ้นหน่อยก็ต้องมีประจำเดือนพอถึงเวลามีครอบครัวก็ต้องเป็นฝ่ายตั้งท้องหนักอึ้งทั้งตัวไปเกือบปี เรียกว่าแบกภาระหนักในการสืบสายเผ่าพันธุ์มนุษย์ยิ่งกว่าฝ่ายชายมากนอกจากนั้นยังต้องระวังเนื้อระวังตัวจากภัยทางเพศเรียกว่ามีกายเป็นสมบัติที่อาจนำภัยมาหาได้ง่ายๆนชเลพยักหน้าซายก็เคยนึกนึกว่าลักษณะประจำเพศเหมือนเครื่องฟ้องว่าใครมีวิบากต้องเสวยมากกว่ากันเป็นหญิงดูเสียเปรียบไปหมด แล้วก็เป็นที่มาของการอยากสบายแบบชายบ้างข้อสังเกตสุดท้ายของเราคือความงามทั้งเครื่องหน้าทั้งสัสดส่วนรูปร่างแต่ละคนจะทำให้เพศตรงข้ามเกิดความชอบใจแตกต่างกันเรียกว่าระดับราคาในใจคนอื่นนี่เอามาเป็นเครื่องวัดได้ว่าใครบุญมากบุญน้อยแค่ไหนถ้าทำให้ใครๆชอบใจได้ในทันทีที่พบเจอเหมือนอย่างทายก็ตีค่าว่าบุญมาก แต่ถ้าทำให้ใครๆมองผ่านเพราะพื้นพืนโหลๆเหมือนอย่างเราก็ตีค่าว่าบุญน้อยเด็กสาวอมยิ้มมีการแขวะตัวเองด้วยถ้าเราจับอวิบากกรรมขั้นพื้นฐานเหล่านี้เป็นตัวตั้งหาทางแปลสิ่งที่เห็นง่ายๆออกมาเป็นค่าตัวเลขได้ก็ถือว่ามีเบสิกสำหรับต่อยอดต่อไปเพราะเราเชื่อว่าข้อมูลเกี่ยวกับกรรมในอดีตและแนวโน้มของเหตุการณ์ดีร้ายในอนาคต เหมารวมอยู่ครบถ้วนแล้วกับตัวเราในวินาทีนี้เองถ้าเราได้ข้อมูลจากปัจจุบันละเอียดที่สุดก็อาจใช้เป็นกุญแจเปิดเผยทุกเรื่องที่อยากรู้ในอดีตและอนาคตไปด้วยจองเริกเอ่ยจากมุมมองและความเชื่อของคนคร่มวอดอยู่ในวงการเจาะข้อมูลมาช้านานคือขอให้ได้ก้อนข้อมูลมาสักชุดหนึ่งเถอะศึกษาดีๆย่อมใช้เป็นป้ายบอกทางสืบหาอดีต รวมทั้งอาจเป็นลูกแก้ววิเศษบอกอนาคตได้ในตัวเองพร้อมเสร็จฟังเริกพูดแล้วก็ทำให้ซายฉุกคิดเหมือนกันนะนัชาเลสารตากับแฟนหนุ่มด้วยประกายเจตนาที่จะทำให้รู้ว่าหล่อนปลื้มเขาคือตลอดเวลาทั้งชีวิตของพวกเราเราเห็นการแสดงตัวของวิบากกรรมอยู่ต่อหน้าต่อตาแท้ๆแต่ก็ยากจะเชื่อได้ว่าที่เห็นนั้นเป็นวิบากกรรมยังดีที่เรา อาจเอาชนะข้อจํากัดที่คับแคบของหูตาด้วยสติปัญญาแบบมนุษย์นี่เอง